บัตรนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไประยะแห่งคำวิสัชนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อชิดมานบแด็กรัวกราบทูลถามปัญหาถึงสิ่งที่เรียกว่าศีสระและทมอันเป็นเครื่องทำลายศีสะพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่า อวิชาคือความไม่รู้ทั้งแปดประการซึ่งเมื่อกราวโดยสรุปแล้วได้แก่ความไม่รู้อริยสัพท์ทั้งสียย่โดยหยาดได้ชื่อว่าเป็นศีสัเพราะทำให้บุคคลสัตว์เหล่านั้นหมุนวนอยู่ในกระแสะแห่งสังสารวัฏข้อนี้พระพูมีพระภาคเจ้า ได้รับสั่งแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไว้ในสังยุจนิกายใจความว่าดุก่อนผู้เห็นภัยในสังสารวัตทั้งหลายเมื่อเราและพวกเธอถูกคุ้มเัาไว้ด้วยวิชาจึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเป็นนันมากเบื้องต้นเบื้องปลายของสังสารวัตรจึงหาที่สุดไม่ได้ แต่บัดนี้พะเราและเธอทั้งหลายได้ทำลายวิชาไปแล้วก็ชื่อว่าเข้าถึงที่สุดแห่งพรมหมจารย์ได้ดังนั้นไม่ว่าในกรณีอะไรก็ตามระดับขั้นของโล ก, กียธรรมคือธรรมะที่ยังนำบุคคลให้หมุนบนอยู่ในสังสารวัฏแม้พบชาติจุรณีขึ้นไปโดยลำดับ จนถึงเป็นพระรยาบุคคลระดับอนาคามีก็าตามก็ชื่อว่ายังตกตุภายใต้อำนาจของอภิชาอยู่นั่นเองอภิชาบางขั้นบางตอนจึงมีความละเมียดระบมยปริมาณของกุศลคือวิชาอยู่สูงแต่ถึงอย่างนั้นฤทธิเดชของอภิชาก็ายังมีอยู่ตราบใดที่อภิชายังมีอยู่ ด้า น, นการหมุนวนในสังสารวัฏคือ ท, ทั้งช่วงสั้นและแก่ขณะของอารมณ์เวลาบุคคลเกี่ยวข้องกับรูปเป็นต้นที่ผพาดมาทางตากระบวนการของกิเลสต้องจะเกิดขึ้นตามลักษณะของอวิชชาและตามการกำหนดหมายอารมณ์ในแต่ละขณะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะ เป็นเครื่องทำลายศาีรษะคือตัดศีรษะเป็นการแสดงโดยอุ ป, ปมาเทียบเคียงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นแม้ไวยวะส่วนอื่นยังมีความสมบูรณ์อยูแ่แต่ถ้าถูกตัดศีรษะแล้วก็จบสิ้นกันชีวิตก็ดำเนินไปไม่ได้เช่นใดทั้ทงสารวัตรก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ว่าทำลายวิชาเสียได้ อย่างอื่นก็ชื่อว่าถูกทำลายตามไปด้วยเครื่องมือที่ทรงแสดงในที่นี้ทรงชี้ไปที่อินทรีห้าประการกับอิทธิบาทสี่ประการซึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายย่อมทราบว่าตรรมาทั้งสองหมวดนั้นคือกลุ่มของโพธิปกียรธรรมเพราะธรรมเป็นเครื่องนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้จดสรู้ตามพระผู้มีพระภาคเจ้า บางครั้งก็เรียกว่าอภิญญาเทศิตรธรรมพ่ะธรรมะที่พระผู้ธมิระพักเจ้าทรงแสดงเพื่อความรู้ยิ่งเขียนจริงในธรรมทั้งหลายคือทางในฝ่ายของอภิชาและในฝ่ายของวิชาในฝ่ายของอวิชาก็รู้จริงจนหมดอวิชาในฝ่ายวิชาคือความรู้ก็รู้จริงจนไม่มีสิ่งอะไรที่จะต้องรู้อีกต่อไป คือหมดสิ่งที่จะต้องรู้แต่แต่จริงแล้วในชั้นของการปฏิบัตินั้นเป็นเพียงโวหารและเทศนาพอเมื่อ น, นำไปสู่ภาคปฏิบัติแล้วย่อมจะปรับตัวเองเข้าหาอาริยมรรคไมองแปดประการไปทั้งหมดอินทรีย์ทั้งห้าประการที่เข้าถึงความเป็นใหญ่เนื้อหนาจฝ่ายต่ำคือที่ตรงกันข้ามกับตน แ, แก่อินทรีย์คือตถาที่เป็นใหญ่เหนือความไม่เชื่อความเครือบแคลงสงสัยวิอินทรียอินทรีย์คือวิริยะที่เป็นใหญ่เหนือความเกียดครั้นที่ปรากฏตัวในรูปแบบ ต, ต่างๆสตินินทรีอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ได้แก่สติที่สามารถครอบงําความหลงลืมความพลั้งพลาดความเผลอเดือต่างๆได้สมาอินซีอิสมาทินซีอินรีย์คือสมาธิที่เป็นใหญ่เหนือความ พุ่งสั้นแห่งจิตซึ่งทรงใช้คําว่าจิตาวิเคปะคือความสายไปของจิตลักษณะของความสายไปของจิตกับสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าฝ่ายหนึ่งเกิดฝ่ายหนึ่งก็ไม่เกิดแต่นั้นยามใดที่จิตสงบความฟุ้งไปความสายไปัองจิตก็มีไม่ได้และปัญญ์สีนรีย้คือปัญญาที่เป็นความรอบรู้ถึงความจริงในสังขารธรรมทั้งหลาย อันที่จริงใน4ีทั้ง5ประการนั้นพอปฏิบัติไปก็ปรับตัวเข้าสู่อริมากคมในองค์ประการและอีกชุดหนึ่งก็คือเรื่องของอิทธิบาท4ประการอิทธิบาทแปลว่าคุณธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนประสบซึ่งหมายความว่าเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของบุคคลทั้งหลาย ที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายระดับใดก็ต่างการดาเนินไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นจําเป็นจะต้องอาศัยธรรมะที่เรียกว่าอิจิบาทซึ่งโดยชื่อเสียงเรียงนามอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่เป็นสภาวะธรรมคือตัวสภาวะได้ แ, แก่การปลูกฝังความพอใจในสิ่งนั้นจนเกิดขึ้นเป็นไปแรงกล้าก็ชื่อว่า เป็นอาการของสิ่งที่บาลีใช้คำบมชันทะโดยภาษาอื่นอาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้ไม่จะเป็นสาคัญเพราะตัวภาษาเป็นสมมติแต่ตัวสภาวะนั้นเป็นปรัมันต์คือความจริงที่แท้จริงในภาษาบาลีนั้นอิทิบาททั้งสีประการเนื่องจากเป็นกลุ่มธรรมะระดับสูง เวลาทรงแสดงจริงๆไม่ได้ใช้คำว่าฉันทะเฉยๆอย่างที่พูดกันเวลานามาแปลนามาสอนก็พูดกันในระดับทั่วๆไปก็ใช้แต่คำว่าฉันทะเฉยๆในเชิญของการปฏิบัติแล้วทรงใช้คำบาลีเป็นรูปเต็มว่าฉันทะสมาธิปธานะสังขารคือการเสริมสั่ง จนจิตใจมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวมีความตั้งมั่นเปลี่ยนพยายามที่จะปลูกฝังความพอใจในกุศลและธรรมทั้งหลายก็นี้จะพบว่าสันทะในลักษณะนี้จะต้องเป็นความพอใจในกุศลและธรรมแต่ปัญหาว่าความมุ่งมั่นนั้นจะไปไกลขนาดไหนปริมาณของสันทะก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ฉนบุคคลต้องการเดินทางให้ถึงสิบกิโลความพอใจก็ต้องอยู่ในระดับนั้นแต่ถ้าจิตใจมีชั้นทาคือความพอใจที่จะเดินได้เพียงห้ากิโลเดินไปในสิบกิโลเมตรก็ถึงไม่ได้ธรรมะคือฉันทาจึงมีอยู่ทุกระดับชั้นในขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติเช่นพระโพธิสัตว์เมื่อตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องประกอบด้วยชั้นทตาสมบัติ คือถึงพร้อมด้วยความพอใจใน菩ัพัญุตยานแต่菩萨พัญุตยานเป็นเรื่องสูงมากปริมาณของความพอใจก็ต้องสูงโดยสูงจนพร้อมที่จะเสียสลับอย่างที่ศึกษาทราบกันในเรื่องราวที่เป็นประวัติอดีตของพระพุทธเจ้าจันท้าความพอใจในกุศลและธรรมเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพอใจในตัวกุศลว่า ออานวยผลเป็นความสุขตามสภแก่ฐานนั้นนั้ น, น, นจึงพอใจที่จะเพียรพยายามไม่ดูหมิ่นกุศลนธรรมทั้งหลายแม้จะมีปริมาณน้อยก็เพียรพยายามเพิ่มขึ้นถึงถ้าหากว่าความพอใจในกุศลนธรรมมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลแล้วผู้ปฏิบัติจะพบได้อย่างเด่นชัดว่าตลอดระยะเวลาของชีวิตที่ยังตื่นอยู่ หรือแม้แต่ในขณะก่อนจะหลับไปบุคคลสามารถเพิ่มพูนกุศลธรรมให้บังเกิดขึ้นได้โดยการมีสติระลึกรู้ถันต่ออารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาสัมผัสของตนมีการสำรวมระวังอารมณ์บางอย่างไม่เข้ามาเปลี่ยนพยายามขึ้นมพูนอารมณ์บางอย่างให้เกิดขึ้นการเดี๋ยวนึกทางจิตใจของบุคคลจะเดี๋ยวนึกในทางที่เป็นกุศล ไม่พยายามเหนียวนึกไปในทางที่เป็นอกุศลซึ่งก็หมายความว่าแม้ในขณะของความคิดนั่นเองบุคคลที่มีฉันท ะ, นทะคือความพอใจในกุศลธรรมก็สามารถที่จะทําจิตของตนให้มีความส ง, งบมีความสว่างมัเกิดขึ้นด้วยสายความตื่นนึกที่ประกอบด้วยกุศลธรรมไม่ตื่นนึกในสิ่งที่เป็นอกุศล เมื่อมีสันทะคือความพอใจจะเป็นเหตุให้เพิ่มพูนวิญญคือความเพียรพยายามข้อนี้จะเห็นว่าเป็นกระบวนการของธรรมะชิดหนุนกันแต่ถ้าตัวแรกเดินไม่ได้ตัวที่สองก็เดินไม่ได้เหมือนกระบวนรถไฟทั้งกระบวนมีลักษณะที่หนุนเนื่องกันแต่ตัวการสำคัญนั้นอยู่ที่หัวรถจักรแต่หัวรถจักรเดินไม่ได้ทั้งกระบวนก็เดินไม่ได้ กุศลธรรมชุดนี้มีลักษณะอย่างนั้นจะเป็นการจะ <c oughs> เป็นการปฏิบัติในลักษณะที่นหนุนกันเป็นวงกลมคือก่อนที่บุคคลจะปลูกฝังความพอใจในอะไรก็ตามจะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นคุณประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นเสียก่อนเจน้าพระพุทธเจ้าทรงพอใจในการเสด็จออกพนวดเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะเสด็จออกขหนวดนั้นก็ได้ใช้ปัญญาพินิษ์พิจารณาศึกษาหาข้อมูลต่างๆมาเป็นเวลานานแล้วหมายปรมมากรที่จะปลุกฝังความพอใจนั้นได้ผ่านการใช้ปัญญาวิเคราะห์พินิษพิจารณาเทียบเคียงเลือกเฟน้นจนมีกำลังมากพอที่จะตัดสินใจพอใจในการเสด็จออกหาพินิษฐกสังม ลักษณะของความพอใจนั้นจึงต้องปลูกฝังให้บังเกิดขึ้นแต่ต้องผ่านปัญญาข้อนี้พึงสังเกตแม้ในบทมหาเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีในชั้นแรกพระปัญจวัคคีไม่มีชันทะคือไม่พอใจในพระพุทธเจ้าแม้แต่จะต้อนรับก็ไม่อยากจะต้อนรับไม่ต้องพูดถึงไม่พอใจในพระธรรมไม่ต้องพูดถึงเรื่องของธรรมะแม้แต่องค์พระเองก็ไม่พอใจแล้ว แต่เมื่อได้รับสั่งสนธนาชี้แจงให้ทราบท่านก็เริ่มใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเทียบเคียงสืบสาวไปถึงคราวที่อยู่ร่วมกันก็สามารถปรงใจได้ว่าพระพุทธเจ้าน่าจะสระหนูจริงๆ จ, งจึงเกิดฉันทาความพอใจที่จะฟังแต่เนื่องจากความพอใจยังอ่อนพระพุทธเจ้าจึงยังไม่ทรงแสดงธรรมรอให้ความพอใจมีกาลังแก่กล้าเสียก่อน เพราระหว่าความพอใจอ่อนแล้วทําอะไรก็จะทําไปอย่างแกนแกนก็อบอกให้ทานก็ให้ไหว้พระ ก, ก็ไหว้เอื้นชวนรับศินกรับสินชวนไปวัดก็ไปควองเตย้ยก็ฟังหลับบ้างฟ า, างบ้างคุยกันบ้างแสดงความพอใจอ่อนธรรมาอีกสามข้อเดินไม่ได้มีส่วนกระสงเสริมสนับสนุนมีกําลังอ่อนก่อนตลอดทั้งกระบวนการ แต่นั้นชันท้าจึงต้องมีกำลังที่เป็นไปอย่างแรงกล้าแต่ว่าฉันท้าแรงกล้าแล้วบางครั้งไม่น่าเชื่อว่าแม้ด้วยประโยคเพียงสามสี่ประโยคเท่านั้นเองกระบวนการธรรมะเดินได้ครบทั้งสี่ข้อแล้วก็เป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งการและกันให้มีความเข้มข้นสูงขึ้นโดยลำดับนำผู้ปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลได้ คนนี้เพิงดูตัวอย่างความพอใจในอิริยาบทของพระอาจายชิกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของอุปติสสะปริภาชกเป็นความพอใจที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ พ, นพราะท่านเดินตามไปตามไปยิ่งมีความประทับใจมากยิ่งขึ้นจิตใจของท่านจะจดุดจดจ่ออยู่ความเพียนพยายามก็เดินตามไปใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบพระท่านเหล่านี้ต้องไม่ใช่ธรรมดานี่กระบวนการของธรรมะก็เดินแล้วก็หนุนกัน เวลาพระอัศชิิจะแสดงแสดงธรรมะนั่นจนยังมีอุบายวิธีที่จะเร่งความพอใจความเพียรจิตใจที่จดจ่อและการใช้ปัญญาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นคนกำลังกระหายต้องการจะดื่มนะ้ำแต่พูดจเห็นว่าน้ำนั้นมีอยู่น้อย ทำให้บุคคลผู้นั้นรู้สึกกระหายมากยิ่งขึ้นราจชีชิจึงกล่าวว่าถ้าเด้งบวชมาในธรรมิีัยไม่นานนักยังไม่สามารถจะแสดงธรรมะโดยพิศดารได้ตุัติสสะจึงเกิดวิริยะจิตตะวิมังสาที่เดินไปความพอใจก็สูงขึ้นพอแสดงธรรมะเพียงสองบรรทัดเท่านั้นก็บรรลุมากคนได้ตัวอย่างในลักษณะนี้สามารถพิจารณาเทียบเคียงได้แม้ในส่วนอื่นๆว่า เราทำคืออิทธิบาทซึ่งเป็นเรื่องทำลายศีรษะหรือทำลายวิชาที่ทรงแสดงไว้นั้นประการสำคัญต้องเริ่มมาจากฉันทะแต่ว่าก่อนที่จะเป็นฉันทะจะต้องเป็นวิมังสามาก่อนคือผ่านการพินิจพิจารณามาก่อนพอฉันทะเดินได้ริยะเดินได้วริยะเมื่อเดินไปเป็นความเพียรทั้งทางกายและทางจิตจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น แล้วจะกลายเป็นอะไ ร, ก ล, รกลายเป็นวิรตญินซีอินทรีย์คือวิริยะกลายเป็นวิริยะภะละกลายเป็นวิริยะสามโพุทธชงกลายเป็นสมาวายามะซึ่งอยู่ในกลุ่มของโพธทนเปียธธรรมทั้งหมดดังนั้นเพื่อสังเกตว่าในเชิงปริยัติก็ดีในเชิงปฏิบัติก็ดีแล้วเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกัน เวลาปฏิบัติจะหล่อหลอมตัวเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันจะเรียกว่าอย่างไรก็ได้จะเรียกว่าทางสําเร็จทางเด็ดความสมําเร็จคือความเพียรที่มีกําลังขจัดความเกลียดคร้านเป็นใหญ่เหนือความเกียดคร้านมีความเพียรพยายามในการละบาปบาเพ็ญบุญจนถึงตาบาปหมดไปแต่บุญเข้าถึงความสมบูรณ์เต็มที่ นี่ก็คือลักษณะของความเพี่ยนจะเห็นว่าอิงอาศัยการท้าชันทะคือความพอใจอ่อนความเพียนก็อ่อนแต่ถ้าชันทะความเพียนชันทะที่เป็นไปอย่างแรงกล้านั้นความเพียรจะแรงกล้ามากเมื่อมีความเพียนแรงกล้าจิตใจก็จะจดเจ่อยกตัวอย่างฉันทะคือความพอใจในการที่จะฟังพระสธรรม จะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายและด้านจิตใจเกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลดอกนั้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลเมื่อมีศรัทธาก็ย่อมข้าไปหาท่านสัตว์ุรุษเมื่อข้าไปหาก็นั่งใกล้เมื่อนั่งกลยก็ฟังธรรมในขณะฟังก็เงี่ยหูลงฟังขณะเงี่ยหูลงฟังนั้นก็กําหนดข้อความแห่ง กำหนดข้อความแห่งธรรมก็พิจารณาข้อความแห่งธรรมพิจารณาข้อความแห่งธรรมแล้วก็จะรู้ทั่วถึงธรรมนี่เป็นการแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางกายและทางจิตของบุคคลผู้ปฏิบัติถ้าเราจับมาวิเคราะห์ดูว่าองค์ธรรมเหล่านั้นที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ปังเกิดขึ้นทางกายและจิตของบุคคลนั้นเป็นอะไรในธรรมะเครื่องทําลายศรรีสัน จะพบว่าเป็นอินทรีย์ทั้งหมดและเป็นอิทธิบาตทั้งหมดแต่ว่าเป็นในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งซึ่งยังไม่ถึงความสมบูรณ์เต็มที่ทุกจุดขององค์ธรรมดหล่านั้นตอนนั้นพอวิริยะเกิดชั้นความพอใจเกิดสูงความเพียรก็สูงจิตใจก็จะจดจ่ออยู่ในเสียงดหล่านั้นเป็นฟังเทศก็จดจ่ออยู่ที่ฟังเทศปฏิบัติธรรมภาวนาพุทโธก็อยู่จีพุทโธ เจริญเมตตาก็อยู่ที่เมตตาไหว้พระสวดมนต์อิติปิโสวสวัสข้าตัก็อยู่กับเรื่องเหล่านั้นแล้วขึ้นอยู่ก็พอใจในอะไรความเพียรก็จะเกิดขึ้นในเรื่องนั้นใจก็จะจดจ่ออยู่ในเรื่องนั้นและจิตใจที่จดจ่อนั้นเองมาถึงจุดหนึ่งก็เป็นสมาธิเป็นความสงบที่ตั้งมั่นอยู่ดังนั้นในชั้นนี้จึงกลายเป็นสมาสติ และสมาธิถ้าว่าพูดถึงอินทรีย์ก็เป็นสติอินทรีย์และสมาธิอินทรีย์พูดถึงภะละก็เป็นสติภะละและสมาธิภะละพูดถึงพุทโธก็เป็นสติสัมพุทโธและสมาธิสัมพุทโธตลอดถึงปีติปัสสติเป็นต้นดังนั้นการแสดงธรรมะอยู่เพียงข้อเดียว แต่พเริ่มปฏิบัติไปแล้วก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเป็นองค์ธรรมข้ออื่นนั้นจึงเป็นอุบายวิธีที่จะให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องหนักพอถ้ารู้สึกว่าใหญ่ว่าหนักม่าลําบากแล้วความเพียรพยายามของบุคคลก็จะอ่อนไปจิตใจที่จดจ่อในชั้นใดก็ตามมันก็จะอํานวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นในชั้นนั้น แต่ชั้นสูงสุดของอิทธิบาทก็คือสัมมาสติและสัมมาสมาธิอย่งกล่าวแล้วในขณะที่ปฏิบัติไปแม้อะไรก็ตามและในชั้นทั่วไปเพึ่งสังเกตว่าองค์ธรรมนั้นก็เดินครบทั้งสี่เช่นว่าความพอนใจในอาหารสักอย่างหนึ่งก็วิริยะคือมีความเพียรที่จะตักอาหารนั้นมารับประทาน ในขณะตักในขณะมองก็เป็นจิตตะคือจิตใจ จ, จดจอ่อกำลังตักก็ใช้ปัญญาพิจารณาจะตักชิ้นเล็กชิ้ใหญ่จะตักอย่างไรมันก็เดินไปดังนั้นองค์ธรรมทั้งหมดนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องนั่งสมาธิบาเพ็ญกรรมฐานเท่านั้นจึงเป็นเรื่องของอิทธิบาทเป็นเรื่องของอินทรีย์ที่จริงความเคลื่อนไหวของคนจะเคลื่อนไหวในสายไหนในสายที่สร้างศีรษะ แต่ส่วนของวิชาก็เพิ่มขึ้นในสายที่จะพยายามบั่นทอนตัดรอนศีรษะก็จะเพิ่มในส่วนของอินทรีย์และเพิ่มส่วนของอิทธิบาทขึ้นธรรมะจึงเป็นการถ่ายทอดเป็นการจำลองมาจากความเคลื่อนไหวของคนนั่นเองแต่บัญญัติชื่อขึ้นเบียกในช่วงนั้นในขณะนั้นเรียกว่าอย่างนั้นอย่างนั้น แลวในชีวิตของคนแล้วก็มีอินทรีย์มีอิทธิบาทพอๆกัมเียืวิชาเกิดขึ้นอยู่เรื่อยไปขึ้นอยู่กันในขนาดนั้นจิตใจปเป็นเหยื่นึกในฝ่ายที่เป็นกุศลเรื่อยกุศลควายเพิ่มศรีรษะก็เกิดท่านี่ยวนึกทางอกุศลควายทำลายศีรษะก็เกิดท่าเหนึกในทางที่เป็นกุศลธิบาทในทนองในชั้นของการตัด หรือทำลายศีรษะนั้นพอถึงระดับของวิมังสานั้นปริมาณของปัญญามีความแก่กล้าสูงขึ้นไปพิจารณาในสิ่งที่ตัวพอใจพิจารณาในชั้นทำใจสงบพิจารณาในชั้นของการเสริมสร้างปัญญาจนสามารถทําลาความยึดติดด้วยอำนาจของอวิชชา ท่ท่านใช้คาว่าเป็นกาหะคือความยึดความถือด้วยอานาจของกาหาละลักษณะความยึดความถือนั้นเมื่อเราวโดยสรุปแล้วก็จะปรากฏตัวออกมาในสี่ในสามสายของความคิดที่ถูกปรุงแต่งด้วยอวิชชานั่นคือด้วยยึดถือด้วยว่าเอตังมะมะว่าเป็นของเราทําไมจึงถือว่าเป็นอวิชชา อภิชาจะไปหยาบยุ่งละเอียดก็ตาแล้วก็เป็นอภิชาอยู่นั่นเองที่จริงของเรานั้นไม่มีอย่างบ้านอย่างที่ดินไปยึดถือกันว่าของเราในแง่ของความเป็นจริงแล้วคนกี่ล้านคนแล้วยึดถือที่ดินตรงนั้นว่าเป็นของตนที่ดินก็คงอยู่ตรงนั้นเองแต่คนก็ตายไปตายไปตา ย, ตายไปก็เปลี่ยนเจ้าของถือครองกันมาเรื่อยไ บ้านเรือนร่างกายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นความเป็นของเราจึงไม่มีอยู่อย่างแท้จริงความเป็นของเราเป็นเพียงสมมติปัญญัติเป็นการปรุงแต่งโดยอำนาจของวิชาตานั้นเองแต่เมื่อวิชาจางลงจะพบว่าใจจะถ่ายถอนออกไปเรื่อยใหความเป็นของเราจะน้อยลง เช่นมีเหตุผลมีสติปัญญาสูงขึ้นซึ่งหมายความมาในขณะนั้นอวิชชาก็จางลงไปในจุดนั้นบุคคลจะเริ่มคิดพินิพิจนาถึงทรัพย์สมบัติของตนแล้วว่าทรัพย์สมบัติของเรานั้นทำอย่างไรจึงจะเป็นของเราในชั้นหนึ่งดึงข้อ น, นี้เพิ่งสังเกตความคิดของสุเมธดาบทคือพระโพธิสัตว์ที่ท่านพิจารณาถึงทรัพย์สมบัติซึ่งบรรพชนได้สะสมเก็บรวบรวมเอาไว้ ปรากฏว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่มากเโดอเกินท่านก็คิดว่าญาติผู้ใหญ่เหล่านั้นไม่ฉลาดทําตัวเหนื่อยยากลําบากเก็บสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้เวลาตายก็เอาไปไม่ได้แต่ท่านจะเอาไปด้วยแล้วท่านก็เอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยประการต่างๆมีการให้ถาดเป็นต้นซึ่งหมายความว่าของเรามันก็ประณิดขึ้นแต่ก็ยังเป็นของเรายังเป็นนวิ ช, ชาเพราะยังอยู่ในสังสาระ แต่ท่านก็แต่าอาศัยบุญกุศลซึ่งเป็นส่วนของทรัพย์เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ซึ่งเกิดขึ้นจากทรัพย์เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ให้เป็นอนุามีคุณติดตามตัวเองไปได้ตบแต่งพบตบแต่งชาติของท่านให้ประณีตสูงขึ้นแต่จะถามว่ายังเป็นอวิชชาไม้ก็ตอบว่ายังเป็นอวิชชาแต่ความประณีตขึ้นสูงขึ้นความทุกข์น้อยลงความสุขเพิ่มขึ้น าการกล้องวิชาจึงครอบคลุมอยู่ไปได้ไกลดังที่กล่าวมาแล้วแต่ย่งไรก็ตามทุกขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัตินั้นจะมีส่วนลดกิเลสลงไปเรื่อยเพราะวิชาลดอย่างอื่นก็ลดตามไปเพราะวิชาเป็นต้นตอของสิ่งทั้งหลายดังกล่าวแล้วเหมือนกับมหาสมุทรลดลงไปน้ําในส่วนอื่นๆก็ต้องลดตามไปด้วย ลักษณะของจิตใจที่ประกอบด้วยกิเลสก็เป็นเช่นเดียวกันดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงให้เห็นทั้งสองส่วนให้บุคคลให้บุคคลมองเห็นตัวศีสะอยากเทอ ว, วิชาในแง่ของความเป็นโทษถ้าทําลายไม่ได้ก็ต้องบรรเทาความรุนแรงให้มองเห็นทำเครื่องทําลายกิเลสเครื่องทําลายศีสระคืออินทรีย์และอิทธิบาท ว่าเป็นทรมที่อานวยประโยะน์ให้แต่มีเส้นทางยาวไกลกว่าจะทำให้สมบูรณ์ได้อย่น้อยที่สุดก็เป็นการเพิ่มพูนขึ้นคือเพิ่มแสงสว่างในปริมาณหนึ่งให้เกิดขึ้นเป็นอันลดความมืดในดับหนึ่งลงจางน้อยก็เดินทางไม่ตกหลุมตกบอก่อประสบภัยอันตรายจนเกินไปซึ่งย่อมอยู่ในวิสัยของผู้มีอินทรีย์มีธิปัด สามารถประพฤติปฏิบัติได้ตามสมควรแก่ความเพียรพยายามของตนต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป